บทสวดมนต์โดยมู ล, ลนิธิศีเจริญธรรมสวดมนต์ทุกวันเสาร์เวลา18นาฬกาเป็ น, น, น, นต้นไปณอุทยานปฏิบัติธรรมศีเจริญธรรมเลขที่หนึ่งหหมู่16บ้านหนองกระโจมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ